ก็เป็นเวลาที่นักปฏิบัติได้ทำความเพียรเพื่อสร้างภพสร้างชาติให้เจริญขึ้นคำว่าสร้างภพสร้างชาติก็ไม่ได้หมายถึงว่าเรา ติดอยู่กับกรรมเจริญอยู่ในวัตถุแต่เราสร้างภพชาติในจิตบิญญาณให้มีความกระเสมอยู่กับธรรมะเพื่อจะได้มีสุกติในภพที่เกิด นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรายังเกิดอยู่เราก็มีสุกติเป็นที่หวังส่วนผู้ใดที่ยังประมาทก็ยังตกไปในอบายภูมิทั้งหลายยังต้องทุกข์ทรมานในความเกิด ในพบชาติที่ยังไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดอันมีความทุกข์ที่ยังประมาณไม่ได้ น, นั่นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ตกต่บยังหาความเจริญในภพไม่ได้ จึงบว่าสานิกรร ม, มนินายันติทุกขติ่งบอกการกระทำชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทางชั่วแสดงว่าผู้ภาวนารักษาจิตอยู่เราเองก็กำลัง ประคองจิตไปสู่ขนทางอันเป็นไปเพื่อสุขติเอาธรรมนำไปสู่สุขติแต่ว่าใครที่ยังยินดีอยู่กับอาธรรมก็จะนำไปสู่นรกในที่สุดคือไม่เร็วก็ช้า ผลกรรมที่ตนสร้างไว้พวระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรรมอันใดที่เราได้ก่อผลแห่งกรรมนั้นก็จะสนองเหมือนหวานพืชเช่นไรก็ได้รับเช่นนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือ ต้องประคองจิตรักษาจิตไม่ให้ตกลงสู่อบญญายภูมิเพราะว่าเรายังมีความเกิดในภพน้อยใหญ่และทำไมไม่เลือกเกิดในสุคติภพอย่างน้อย ก็ชื่ว่าเป็นผู้ที่มีความเจริญในกุศลทานศีลภาวนาหรืออยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่คือจุดจะแยกกันระหว่างดีกับชั่วกุศล ก, กับอกุศลบุญและก็บาปไม่ได้ไปอยู่ ในที่เดียวกันสำหรับพูดที่ทําบาปไว้ฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดกันมาอยู่ร่วมกันก็ดูเหมือนมีชะตากรรมที่คล้ายคลึงกันแล้วก็ใกล้เคียงกันถึงทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างบารมีและมีโอกาสที่จะทำเลวชั่วได้ ขึ้นอยู่ที่ว่าใครมีสติมีปัญญามีสมาธิอันจเจริญอยู่ในกุศลได้มากกว่าคนนี้ก็จ ะ, จะเจริญไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นฉะนั้นมนุษย์ที่เกิด เหมือนเป็นเวทีแห่งการสร้างบุญและก็บาปใครจะเลือกทำอะไรแต่มาก็มานั่งกำหนดดูมนุษย์เลวก็สุดๆ ด, ดีก็สุดๆพระพุทธเจ้าก็มาจากมนุษย์ความชั่วร้ายทั้งหลายก็เกิดจากมนุษย์ ในภพที่ตนสร้างไว้แล้วก็ไปสู่ในวิบากของอกุศลหรือกุศลกรรมในภพต่างๆจะแยกเป็นสวรรค์เป็นพรหมโรกเป็นชั้นสุดทาวาสหรือพวกเปรตอสุรกายสัตว์ และก็นรกทั้งหลายผู้ที่ยังจมอยู่กับบาป ท, ทั้งหลายนั่นคือจิตคนเหล่านั้นกำลังเศร้าหมองเต็มไปด้วยความกโกรธความโลภและความหลงเต็มไปด้วยการเบียดเบียนประหัตประหารแก่งแย่งให้ร้ายทำลายเบียดเบียน ประทุษร้ายกันก็จะไปเจอกันจึงบอกมนุษย์บางคนก็เป็นบัณฑิตก็เพียนเพ่งปฏิบัติจนกายวาจาใจนี้เป็นบัณฑิตแล้ว แต่บางคนก็เป็นแค่บัณฑิตด้วยการศึกษาแต่จัญญาณนิสามะคือไม่เป็นบัณฑิตทางกายวาจาและก็ใจเป็นแค่บัณฑิตเรียนจบแต่ใจเหมือนอยู่ในห้วงของนรกสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็ในที่สุดผลการกระทําทั้งหมดก็สะท้อนกลับมาสู่ภูมิจิตของตัวเองพอ mm hmm. ถึงวันนั้นนะ mm hmm. กรรมที่เราสร้างไว้ mm hmm. เป็นสุข mm hmm. ก็จะได้สุขถ้าเป็นทุกข์ก็จะได้ทุกข์ ทีนี้ก็มาวัดจิตกันอยู่ตรงนี้แหละมาวัดกันที่บอกมาวัดวัดกันใครอยู่ภูมิไหนก็ให้จงรู้ไว้อย่าทำบอกไม่รู้ก็บอกนีอะไรก็หนีได้แต่หนีตัวเองหนีกรรมวิบากไม่ได้ไม่ต้องกรวดน้ำนะทำชัว่ว ผลตามติดตัวตลอดโยมบอกโอ้ยฉันทำชั่วเมื่อกี้ยังไม่ได้กรวดน้ำเลยความชั่วคงไม่รู้เมื่กับไม่เกี่ยวกันคุณจะกรวดน้ำหรือไม่ตรวจน้ำเจตนานเป็นตัวกรรมไปแล้วกรรมก็คือการกระทาไปแล้วผิดถูกดีชั่วบาปบุญคุณโทษ มันตอบเองเลยไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีผู้วิภากหาไม่ต้องมีภยยาจบอยู่ในตัวม mm. ันเองเพียงแต่ว่ากรรมนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่หลายคนสงสัยมีจริงหรือ ก็บางคนทำชั่วทั้งหลายอย่างกรรมก็ยังไม่มาเหมือนบางคนทำกรรมดีทั้งหลายเรื่องความดีก็ยังไม่เสนอตมาก็นั่งกำหนดทำดีได้ดีจริงหรือทำชั่วได้ชั่วทำบาปได้บาปจริงหรือก็สงสัยเหมือนกันนะ แต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ตัดสินวิบากกรรมของแต่ละคนหนักเบาไม่เท่ากันพื้นเพนกุศลอกุศลที่ส่งผลมาก็ไม่เท่ากันบางคนวาสนาเขาดีมาถึงจะทำไม่ดีอยู่บ้างยังวาสนาเขาเนี่ยยังส่งอยู่ เหมือนกำลังรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยความเร็วถึงจะเบรกยังไงก็ตามมันก็ยังมีแรงที่ยังผลักมันยังมีแรงที่ยังดันอยู่มันต้องไปได้อีกไม่มากก็น้อยแต่จะไปแบบเสียหลักแล้วก็หยุดในที่สุด เหมือนกันชั่วหรือดีก็มีผลอย่างนี้แหละอยอมไม่ใช่ว่าเราดีสองวันดีสองปีดีสามปีชั่วสองวันสามวันและบอกไม่เห็นเกิดความชั่วถ้าคิดอย่างนี้อาต ม, มาว่า เป็นบุคคลที่ยังประมาทและสุดท้ายก็ชะล่าใจว่าไม่มีกรรมเราเป็นผู้เหนือกรรมทำแล้วใครก็จับไม่ได้ใครก็ไม่รู้ที่ไหนได้ เขาสะสมไปแล้วแตมพอถึงเวลาก็คนนี้บอกไม่ได้ทำเขาก็บอกว่าทำตลกไหมไอ้วันดีคืนนีบอกไม่ได้ทำเลยไม่ได้เกี่ยวก็บอกเกี่ยวไม่เกี่ยวบอกต้องเกี่ยวดูสิหลายๆเรื่องที่พวกเราบอก ฉันไม่รู้เรื่องเลยแต่ต้องมารับรู้ฉันไม่ได้มีเอียวเลยแต่โดนหางเลขไปด้วยนะไม่ต้องซื้อเบอร์ก็โดนหางเลขได้โยมสองตัวสามตัวเนี่ยโดนถึงเวลานั้นก็ถึงเวลานั้นก็มานั่ง งงสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นเออธรรมาก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันสุดท้ายท้ายที่สุดมันก็ไม่พ้นเรื่องของกรรมมันละเอียดธรรมาก็อยากจะรู้ลึกทุกๆเรื่องเหมือนกัน แต่มันเกินวิสัยของภูมิจิตภูมิธรรมสติปัญญาและก็ญาณแห่งความรู้ของบุคคลนั้นยังไม่ถึงก็ยังเกิดความลังเลสงสัยที่เรเรียกว่าวิจิกิจฉาเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็ยังลังเลลังเล ยังเป็นคนไม่มั่นคงยังงอนแงน่คอนแคลนศรัทธาก็ยังไม่มั่นพอเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็แขวนะแล้วพอทำแล้วไม่ได้ตามทีตัวเองต้องการก็สรุปเองหมดเลยธรรมะจึงบอกหลายข้อที่ชั่วผลยังไม่มาหลายสิ่งที่ดีทําไว้ก็ยังไม่มา มันเพราะอะไรมันเพราะอะไรถึงบอกทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วมันเพราะอะไรถึงบอกนั่งกำหนดไปเรื่อยๆไม่เข้าข้างใครสุดท้ายมันมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่เก่าโน้ มันเกี่ยวเนื่องมาถึงบอกเป็นผลวิบากอดีตปัจจุบันอนาคตสามการนี้มันโยงใยเกี่ยวเนื่องกันนวเนียพละวันกันไปหมดอดีตก็เป็นเหตุแห่งปัจจุบันที่จะมาถึงปัจจุบันที่ทำก็เป็นเหตุแห่งอนาคตที่จะมาถึงอีกนวลเนียไม่ละโยว่าเออมันเป็นเหตุ อาศัยกันอยู่แต่ว่ามันตอนไหนเรื่องไหนทึงบอกเออจะหายสงสัยได้ยังไงเนาะต้องระลึกชาติได้เหมือนต้องได้บุพเพเนวาสานุสติญาณรู้จากระลึกชาติได้ ถ้าจะรู้กรรมสัตว์ต้องได้จุดตูปปยานพระพุทธเจ้าได้มาก่อนตรัสรู้ซะอีกจึงรู้ว่สัตว์ทำอะไรกรรมนี้จะส่งไปไหนผลแห่งกรรมบุคคลนี้จะพึงได้รับกรรมแบบไหน นี่คือความสำคัญฉันพวกเราเองยังห่างเลยอติตังสยานญาณในอดีตก็ไม่รู้อนาคตังสยานญาณในอนาคตก็ไม่รู้ปัจจุปนังสยานญาณในปัจจุบันก็ไม่รู้ลงท้ายเหมือนกันหมดคือไม่รู้ไม่รู้ ง่ายดีจังหรือว่าลืมเนี่ยคำแก้ตัวง่ายฉันลืมต้องกินยาแล้วบำรุงสมองหน่อยลืมบ่อยๆเนี่ยคงไม่ไหวเสียเสียงานเสียาการท่นโยมรู้ไหมที่นั่งอยู่ในอดีต เราเคยเก้าล่วงอะไรมาจักเ ด, ด้บุญว่าเด้โบโหูุนว่าไม่รู้จักก็ไม่รู้โบโูก็ไม่รู้เวลาจักเด้กัเขาถามมาบอกจักบทจักก็กคือไม่รู้ถ้าบอกโบโูก็คือพูดเองขึ้นม า, าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น ถือว่าเหมือนอลูกของนายช่างหูเขามีการเย็บจักสารทออะไประมาณนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเข้ามาโปรดนางก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาวันนั้นนางทำงานเพื่อให้งานเสร็จ จะได้มีเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อสะดับตรับฟังธรรมรีบขนไคยก็มคาคเขม่นทุกอย่างเสร็จแล้วก็เสร็จนางก็รีบกลึงเดินกลึงวิ่งพระพุทธเจ้า ก็รู้อยู่นะว่าจะมาโปรดนางผู้นี้เนี่ยผู้ที่จะเป็นโซดาบันเนี่ยมายังเป็นสาวรุ่นรุ่นอยู่เลยอยูพระพุท mm. เจ้าก็รับสั่งว่านางมาจากไหนบอกป่าหูเปนะไ นางจะมาจากสาล่วนั่นเลยเธอมาจากไหนบอกไม่รู้คนหันหน้าไปดูหมดตอบยังไงไม่รู้เหมือนยีหยวนนางมาจากไหนบอกบโบฮูไม่รู้แล้วนางจะไปไหนบอดจัดอ้าวไม่รู้ไม่ไม่ทราบอีกมาจากไหนไม่รู้จะไปไหนบโบฮู โยมว่าถ้าคุยกับพวกเราถือว่ายียวนมหมยียวนกวนให้ตีแล้วนะเนี่ยถูกไหมแต่นางกับพระพุทธเจ้าเข้าใจตรงกันเข้าใจในภาษาธรรมไม่ใช่ภาษามนุษย์พูดเหมือนถามว่าก่อนนางจะมาจากที่นี่อดีนางมาจากไหน หรือพบก่อนนั้นที่นางจะเป็นมนุษย์นางมาจากไหนนางบอกไม่ทราบเจ้าค่ะบาหูไม่รู้เอาล่ะไม่รู้ก็ถามต่อแล้วเมื่อนางสิ้นชีวิตไปนางจะไปไหนก็คือเมื่อนางจากโลกนี้นางจะไปสู่นกะภูมใดพบไหนนางก็ยังบอกไม่ทราบเจ้าค่ะ โอโฮคือเก่าน่าดิมาจากไหนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ป่ะเห็นไหยพระพุทธเจ้ากับนางเข้าใจตรงกันว่าเมื่อนางตายจากภพนี้แล้วนางจะไปไหนนางไม่ทราบและนางอายุสั้นได้น่ะ แต่ได้สำเร็จโสดาบันสองคำเนี้ยผู้ดยารับสั่งถามนันเองนางบอกไม่รู้ในอดีตนางไม่รู้อนาคตนางก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันนางจเจริญอยู่ด้วยมรณสติก ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เป็นผู้ไม่ประมาทระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็คือขณะจิตน้อมไปสู่ความตายเห็นความตายเห็นความเกิดดับเอาไง่ายๆว่ากาหนดความเกิดดับเอ อ, อย่างนี้ฟังไม่น่ากลัวนะ เดี๋ยวผู้ภาวนานใหม่ฟังแล้วไอายาอาจารย์กำหนดตายเลยหรื อ, อกว่าจะหาเงินหาทองกว่าจะสร้างบ้านมายังไม่อยากตายก่อนกำหนดเห็นความเกิดดับในชีวิตทุกขณะสติะระลึกอยู่อย่างของพวกเราพอ ม, มาถาม พวกเรามาจากไหนก็ตอบแบบเดียวกับนางมึงเบาฮูไม่รู้แล้วเมื่อจากโลกนี้จะไปไหนบอจักไหนะบอรูกับอกบอจักคือกันเด้อไม่รู้กับไม่รู้ก็แปลว่าไม่ทราบแปลดีชังเลยไม่รู้กับไม่รู้แปลว่าอะไรแปลว่า ไม่รู้เหมือนกันหรือมีคนรู้แล้วว่านางมาจากไหนก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ในชาติเนี้ยถอยกลับไปสี่ห้าหเจ็ดสิปีเนี่ยก่อนที่จะมาปฏิสนธิอยู่ในคันแห่งมารดามาจากไหน อาตอมาก็บอกบาคูเคือไม่รู้ฮิตจังคำว่าไม่รู้นะไม่รู้ฉะนั้นถ้าอยากจะรู้แต่ไม่ใช่รู้ด้วยคาว่าความยากแต่จะต้องรู้จากคำว่าการภาวนาและจะบอกว่าบังคับให้รู้ก็ไม่ได้ต้องเกิดจากภูมิธรรมเท่านั้น ภูมิจิตเท่านั้นมันเหมือนกระจกที่ใสเช็ดทุกวันขัดทุกวันเช็ดถูทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันโยไม่ต้องบอกว่ากระจกจงใสนะใสนะไม่ต้องมันจะใสขึ้นเองเหมือนมังน้าพรวนดินใสปุ๋ยทุกวันทุกวันบอกออกลูกเร็วๆนะฉันรอนะ เดี๋ยวไม่ต้องไปไปพูดกับต้นไม้ว่าฉันรอนะทำหน้าที่ใส่ปุ๋ยรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิ น, น, น, ด, นดอกเขาออกเองไม่ใช่หน้าที่ของเราผลเขาออกเองไม่ใช่หน้าที่ของเราเหมือนกันเรื่องญานเรื่องชานเรื่องอภิญญาทั้งหลาย เกิดจากภูมิธรรมภูมิจิตของการปฏิบัติภาวนาสำคัญอยู่ตรงนี้ถึงหมกว่ากว่าใครจะรู้คนนั้น น, นิ่งไปแล้วนะนิ่งสงบสะอาดไปแล้วเหมือนน้ำขุนนะโยม ต่อให้เอาอะไรไปเชืออยู่ข้างในเยอะแยะยมก็มองไม่เห็นที่เขาว่าโบราณว่าน้ำน้ำลดต่อโผลใช่ไหมกิเลสหดหายใจก็สว่างใช่ไหมความฟุ้งซ่านหยุด ใจก็สงบมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดแทนว่าเกิดดับชีตมนุษย์มีเกิดกับดับเท่านั้นไม่มากกว่านี้และก็ไม่น้อยกว่านี้โยมกาหนดเถิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เกินคำนี้เลยเกิดดับแต่ามาบอกโอ้โหเพียนเพ่งอยู่ตั้งนานสุดท้าย<ม>เห็นความเกิดดับ แล้วก็ปล่อยวาจงมีอิสระในจิตจงมีความเบิกบานในจิตจงมองให้เห็นความว่างในจิตทุกอย่างยืมเข้ามาสมมุติทางนั้นหกเจ็ดสิบปี เขาให้ใช้มากกว่านั้นเขาให้นอนเฝ้าแล้วโยมจะลุกจะเดินจะเหินไปไหนไม่คล่องแคล่วไม่ว่องวเขาให้เฝ้าซัพย์แล้วมีซัพย์มากก็เฝ้าซับจะบอกเออเข้าใจแล้วกำหนดกี่ครั้งก็ไม่เกินนี่ตามมาบอกแล้วมีอะไรต้องพิจารณาอีกหรือ รูปนามขันก็เห็นความไม่เที่ยงเกิดตั้งดับมีแต่ว่าทำอย่างไรให้กุศลเนี่ยจเจริญขึ้นโลกใบนี้เราอย่าไปแบกวันไหนจะมาจะวาดรูปรูปคนหัวโตมันเป็นโลกใบหนึ่ง แล้วมันพร้อมที่จะระเบิดดีไม่อยู่เขาบอกอุ๊ยทำไมคนนี้หัวโตวหัวใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> บอกเออคนคนนี้เขาแบกโลกไว้อยู่เป็นปริศนาธรรมวันไหนโยมเจอตัวเป็นคนแต่หัวเป็นโลก <c oughs> อย่าตกใจนะไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์อะไรนะใช่โลก สมเข้าไปยึดมั่นเข้าไปสุดท้ายเป็นของหนักเป็นบุคคลที่แบกถือของหนักพาไปโอ้พระอริยเจ้าท่านสละทิ้งของหนักลงเสียแล้วแต่ปุถุชนนี่ยังสนุก กับการยึดมัน่นถือมัน่นใหม่ๆก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีกออ็รู้สึกได้เป็นเจ้าของแล้วรู้สึกมันแม่ภาคภูมิใจเนาะแต่พอมันมากขึ้นมากเข้ามากเข้ามากเข้าหลายปีทับถมไปทับถมมาทับถมไปทับถมมามันชักหนักนัอะไรอะไรก็กูซะหมดเออถึงว่า สุดท้ายพอกำหนดผู้ภาวนาใจไม่อิสระและอะไรไม่ได้เลยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ถึงบอกออธรรมชาติใครเข้าถึงธรรมชาติจิตก็ปราณีตนะใครเข้าถึงธรรมชาติจิตปราณีต ธรรมจึงบอกป ร, รานนี่เพราะธรรมชาติโยมมองให้ให้เข้าถึงเขานะ mm. เขามีอยู่ในโลกแต่เขาไม่เคยยึดโลกใบนี้ mm. เขาอยู่ร่วมกับชีวิตแต่เขาไม่เคยยึดติดชีวิต mm. เขาเปลี่ยนฤดูกาลไปตามกาล เขาผันผ่านการเวลาไปตามสมัยเขาพัดพาทุกอย่างไปตามการเวลาไม่เคยหยุดนิ่งและก็เสียเวลาอยู่กับใครเลยเขาอกเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน้ำสายนี้คุณไม่ตักเขาก็จะไหลผ่านเขาไม่ได้รอนะว่าลูกใคร พ่อใครแม่ใครพี่ใครน้องใครเพื่อนใครศัตรูหรือหมู่มิตรน้ำสายนี้เขาไม่ได้สนหรอกโยบอกเออมองให้เห็นเหมือนสายลมผ่านมาถามจริงเ็าเคยคล้องแวะกับเราไหมเขาแค่สัมผัสกับเราแล้วเขาก็ผ่านไป ไปกำหนดดีๆถึงบอกเออธรรมชาติสอนจิตชีวิตสอนธรรมจดจำตรงที่ว่ารู้แล้วให้วางจิตก็จะว่างรู้แล้วไม่ว่างทรมานจนตายเรื่องจริงนะรู้แล้วก็ไม่รู้จักวาง จะทรมานจนตายเห็นไหมบางคนแค่ความรักอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหไปยืยนอยู่หน้าผาจะโดดไหมเนี่ยยมจะเชียร์ดีไหมจะโดดไม่โดดเนี่ยหรือจะห้ามดีไม่ดีเนี่ยจะมาว่าเออคิดคิดยาวๆถ้าคิดว่าเราเกิดมาเพื่อมาโดดหน้าผาเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงขนาดนี้ พ่อแม่เกิดมาก็ไปโยนเลยจบง่ายจะตายไปชีวิตถ้าคิดแค่นี้ถูกไหมโยมเออทำมาเป็นก้อนหินไปได้ไร้ค่าขนาดมองตัวเองไม่มีค่าเลยอะไรไปบังตา่าอะไรไปบังชีวิตอะไรไปปิดหัวใจตัวเอง ทำไมเราต้องคิดว่าขาดอย่างนั้นขาดอย่างนี้แล้วเราจะอยู่ไม่ได้โอ้ธรรมมาบอกเข้าใจผิดนะเข้าใจใหม่โอบางคนนาะยยมผู้ละเอยียดบอกใครนะได้สามีเป็นสิบไม่เห็นแคร์เลยเลยเลิกแล้วแต่งใหม่ไม่แต่งก็อยู่กันได้ พอใจก็แต่งไม่พอใจก็เลิกเห็นไหมจำเป็นไม่ต้องโดดหน้าผาแมผู้ชายบางคนก็โอโหเอาน้ำกรดสา์กันอะไรขนาดนั้นถ้าย้อนกลับไปไม่มีใครทำารอกฎหมายก็ผิดศีลธรรมก็ผิดชีวิตเบียดเบีย น, ยนใช้คำว่าความโกรธแค้นความหึงหวนความหึงหวง เหตุผลนะมันเป็นการบีบคั้นตัวเองแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเจ็บจนทนไม่ไหวบอกแม่เราปรุงแต่งอยู่ตั้งนานมันเลยบอกไม่ไหวแล้วเรายึดมั่นอยู่ตั้งนานเราบอกเราทนไม่ได้แล้วทำไมไม่วางตั้งแต่เริ่มต้น เพราะอะไรเพราะเขาแบกไงโยงเขาแบกเขาแบกความรักเขาแบกความสมหวังเขาจะผิดหวังไม่ได้เขาจะแบกชีวิตชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นนี้เขาจะอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้จะมาบอกใครสอนให้เข้าใจชีวิตแบบนั้นชะตาชีวิตไม่ใช่ตนลิขิตทุกเรื่องแต่มันเป็นกรรมลิขิต บางครั้งก็ตลกชีวิตยมขำไหมล่ะขำเนี่ยและบางทีขำออกไหมไม่ออกบางทีก็กโกรธบางทีก็หลงบางทีก็สารพัดที่จะเกิดแต่ทำไมต้องไปยืนอยู่หน้าผาคนเดียวคิดอะไรอยู่รู้นะรู้ กระโดดหรือไม่กระโดดแต่ที่ไปยินหนาผานเนี่ยไปแล้วครึ่งหนึ่งนะเช่นได้เอาความตายมาเป็นการหนีชีวิต จ, จริงในตามาบอก คนคนนี้ไม่เข้าใจความเป็นคนคนคนนี้ไม่เข้าใจความเป็นตัวตนคนคนนี้ไม่รู้จักค่าของคนเลยเสียดายจะสูญเสียอะไรก็ตามในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสมีมนบอยู่ผู้หนึ่ง รือชายพูด น, นีเขาเดินมาแล้วเขาก็บ่นพร่ำบังกันว่าเขาเป็นผู้เสื่อมแล้วหนอเป็นผู้เสื่อมหนอะเขาเป็นผู้เสื่อมหนอเขาบอกพระพุเทธเจ้าได้สดับตรับฟังก็รับสั่งกับชายพูดนี้ว่า เหตุชนไหนลือแม่ภาษาเดิมเหตุชนไหนจึงกล่าวเช่นนี้ชายพวกนี้ก็กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสื่อมหนอะด้วยเหตุบัดนี้ ทรัพสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าได้เสื่อมหมดแล้วญาติมิตรพี่น้องบัดนี้ก็เสื่อมหมดทุกอย่างสูญสิ้นหมดไม่มีอะไรที่เหลืออีกแล้วพระเจ้ากับทรัพย์สินสริขาดจึงกล่าวว่าเป็นผู้เสื่อมแล้วนอคือตกต่ำหมดแล้วทุกอย่าง พระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงบอกดูก่อนเราไม่เรียกว่าท่านเป็นผู้เสื่อมหนอกด้วยเหตุอันใดจึงจัดว่าเป็นผู้เสื่อมหนอกบุคคลที่เสื่อมอันแท้จริงคือเสื่อมจากปัญญา ไม่ใช่เสื่อมจากยศลาภชื่อเสียงสรรเสริญหรือสรรเสริญไม่ได้เสื่อมต่อให้พวกเราไม่มีอะไรอยู่ยังไม่เป็นผู้เสื่อมผู้ที่เสื่อมจริงคือผู้ที่ไม่ได้เจริญกุศลเลยแล้วทํำ บ, บาปอกุศลจึงเรียกว่าผู้เสื่อมหนอและโยมตอนนี้เป็นผู้เสื่อม บอว่ายโยมมีเงินมาบาทสองบาท10สลึงยี่ส0บบาทร้อยบาทพัน0 0ืน่นแสนล้านกี่ล้านล้านก็นแล้วแต่เป็นผู้เสื่อมก็ได้ไม่เสื่อมก็ได้พระพุทธเจ้านี้แสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงว่าเสื่อมอย่างไรและไม่เสื่อมอย่างไรไม่ใช่เอาวัตถุของภายนอก มาตัดสินว่าเสื่อมเนาะบางคนยังจเจริญกูุศนอยู่จะบอกเสื่อมได้ไหมไม่ได้บางคนยังอบรมสติรักษาจิตอยู่เสื่อมไหมไม่เสื่อมต่อให้เ็นบ้านเช่ายังค้างค่าเช่าก็อยู่ก็ไม่เสื่อมหนอกไม่เสื่อมแต่จน โยนเพราะทานทำมาน้อยวาสนาทานไม่ดีแต่ก็ยังมีบา ร, รมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการบําเพ็ญภาวนาแต่ขาดทานเกื้อหนุนอัตคัดขัดสนลำบากลำบนุนต้องอดทนอยู่เรื่อยไปถึงบอาเออชีวิตมนุษย์ตรรมากำหนดหลายอย่าง คนที่รวยเยอะแยะหลงพบเสียแล้วบุญกุศลไม่สร้างวาสนาไม่ทำให้เกิดขึ้นใหม่กินบุญเก่าหลงตัวตนว่าตนเป็นผู้มีวาสนาเกิดมาตระกูลก็ดีหรือเกิดมาแล้วก็มีทรัพย์ร่ำรวยภายหลังโดยความรู้ความสามารถที่ตนร่ำเรียนมาที่ตน ทำมาค้าขายเอาแล้วแต่ทำาไม่มีวาสนาแต่มาให้เก่งกว่านี้อีกสิบเท่าถึงบอกต่อให้เรียนจบได้เกรดแบบเกรดดีได้ท็อปทุกวิชาก็ไนดะ้เอาร้อยเลยไหมหรือ 99.9 กจจบมาบางคนยังเป็นหัวหน้าไฮโลก็มีอยู่ ไม่ได้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพนะอย่าไปเข้าใจว่าเรียนเก่งแล้วออกมาเนี่ยจะได้เหมือนตอนที่เรียนคนที่เรียนได้น้อยกว่าหรือ ว, ว่าสอบเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหรือเกรดได้น้อยกว่าแต่ผลงานนี้ เยอะสัมผัสได้มากกว่าถึงบอกไม่แน่นอนบางคนออกมาก็ทำอะไรก็เหมือนไม่มีโชคโชคไม่เคยช่วยผิดเวลาพอทำก็เกิดเหตุการณ์ทำให้อยู่ไม่ได้เจ๊งถ้าเป็นลูกน้องก็แล้วไปได้เป็นผู้จัด ก, การแล้วก็ทำให้ธุรกิจจะเจ้านายเนี่ย เจริญได้แต่พอทำลงทุนตัวเองเจ๊งอีกแล้วที่บอกเก่งอย่างเดียวไปไม่รอดต้องเฮงเฮงเฮงหยุมเคยได้ยินใช่ไหมมันต้องมีเฮงด้วยนะแต่ถ้าเฮงสวยไม่ดีเอาเฮงตัวเดียวเฮงเฮงเฮงบอกเออ ฉะนั้นวาสนาบา ร, รมีตมาก็กำหนดดูอยู่บกบางคนฐานะดีร่ำรวยแต่บุญกุศลเขาไม่เอาแล้วเออตมาบอกเอาละเมื่อเขาคิดได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ทำตัวเขาก็ไม่ได้สุดท้ายทรัพย์ก็ไม่ได้ติดตัวเข้าไปบอกเออ จากเห่ง mm. เห่ง mm. ห่ง mm. ลงท้ายด้วย mm. เหมือนกินบุญเก่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อ ย, อยสุดท้ายตายแล้วเอาไปไหมเออถามหน่อยเขาใส่โลงไปรือ mm. เปล่ามนุษย์อายุจริงสั้นที่ ตมาจึงเข้าใจอายุก็คือทรัพย์พออายุหมดทรัพย์ที่มีทั้งหมดก็จบลงตรงนั้นเห็นไหมถึงบอกสำคัญอ่ะแต่อายุมนุษย์เนี่ยโยมกำหนดดูอยู่ได้นานสักแค่ไหนที่นานมากเกินนี่ไม่ใช่สุขแล้วนะทุกหูถ้าบอกแปดเก้าสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยสังขารเนี่ย โยมจะมาจะลุกทีนี่ทำปากแล้แล่ะแมยิ่งกว่าเดินทางเป็นสิบกิโลกว่าจะนั่งได้ก็โอกระดูกกระเดี่ยวลั่นดังเปรี้ยมันจะหักแล้วมึงเนะี่ยใช่ไหมมาวิ่งแข่งกับเด็กไหมล่ะตาย ไม่ต้องถึงสองรอเมตรเอาแค่ห้าสิบเมตรเนี่ยโยมไปเตรียมได้เลยจะเอาชาลาหลังไหนไม่ใช่สาลาปฏิบัตินะศาลาบำเพ็ญกุศลตายหัวใจสุบฉีดไม่ทันตายอยู่ไม่ได้คุณบอกเออฉะนั้นบา ร, รมีของคนที่เขาสร้างมาดีวาสนาทานที่เขาส่งมาดีเนี่ย ต่อให้ไม่ทำอะไรนะโยมเกิดมานี่ก็มั่งคั่งแล้วนะจะบอกเออแต่ถ้าไม่รู้จักสร้างกุศลเอาละก็ไม่ว่ากันแต่คนที่จนอยู่แล้วนีน่นี่ต้องค่อนขอดกันหน่อยมันเหมือนจะไม่มีก็ต้องค่อยๆขอดเอาขอดเเหมือนต้องพูดให้ ยำ้ำไม่ใช่เบียดเบียนนะเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ก็เพราะทานเราไม่ดีจึงเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งกลัวจนไปอีกต่อมาก็บอกมันไม่รู้จะจนขนาดไหนและวลายโยมชาวบ้านสามเดือนไม่มีค่าเช่าเนี่ยเขาก็บอกออกได้แล้วละ่ะ ถ้าไม่ออกก็จะแจ้งตำรวจจับแ ล, ล้วล่ะถ้าไม่ออกเข้าของก็ออกมาเองแหละอย่ไม่ต้องขนนะเจ้าของบ้านก็ทนไม่ไหวแนละ้วงั้นต้องขอหมายสารให้ออกถ้าปฏิบัติตามกฎหมายนะถึงบอกเออบารมีใครว่าสร้างง่ายแต่ามาก็ว่าไม่ง่าย แค่ว่าสร้างยากอาตมาก็บอกไม่ยากพูดยังไงเนี่ยเขาบอกง่ายเราก็บอกไม่ง่ายเขาบอกยากเราบอกไม่ยากชวนทะเลาะกันแล้วเรื่องจริงมันต้องมีศรัทธาด้วยจึงบอกไม่ง่ายแต่ถ้าก็บอกว่ามันไม่ง่ายตมาก็บอกมันง่าย ถ้าเรามีปัญญาสักนิดหนึ่งพอระลึกอะไรได้บ้างเออเป็นเพราะเรายากจนลำบากเหมือนนายทุกตะในสมัยครั้งพุทธกาลได้ระลึกถึงตัวเองว่าด้วยความลำบากในชาตินี้ของเราเกิดมาอัตคัดขัดสนแลกเคราแลกน้ำวันต่อวัน จะทำบุญวันนี้ต้องอดอาหารไปหนึ่งมือ้อโยมคิดดิมีใครจนกว่านี้ไมโยมถ้าจนกว่านี้แตมาว่าก็อยู่ยากแล้วนะอยู่ยากนะทำบุญอาหารมื้อหนึ่งตัวเองต้องอดแทนนะแย่นะลูกศิษย์แสงทำคงไม่ถึงขนาดนี้มั้งเนาะ หรืออาจจะมีอะมีก็ได้ไม่ว่ากันแต่อย่าจนขนาดนั้นเลยโยเนอะอย่าจนขนาดนั้นจะทำบุญต้องอดข้าวเนี่ยถึงมันก็เหลือเกินแล้วนะแต่ถึงกระนั้นต่อมาก็ยังบอกให้ทำอีกนั่นแหละไม่ได้บอกให้อดข้าวนะต้องหาวิธีทำให้ได้ หาห้ได้ไม่มีก็เอาน้าฝนไปหาขวดเก่าๆล้างให้เกี่ยลองน้ำจากชายคามามาถวายพระดูที่ว่าจะทำได้ไม่บุญให้มันรู้ไปใช้หัวดิไม่มีข้าวไม่ได้ก็เอาน้าฝนนี่แหละตกจากฟ้าเทวด า, าหรือธรรมชาติโปรยลงมาเอาน้าฝนเนี่ยมาถวายบอก ว, ว่าท่านฉัน เอาล้างหน้าล้างตาล้างหัวก็ได้นี่ก็เป็นบุญนะโอ้ยอย่ามองข้ามนะเริ่มจากเบื้องต้นมันต้องอย่างนี้ก่อนถึงบอกถึงบอกมันยากและมันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจด้วยพอใจตั้งว่าจะทำแล้วทีนี้มันก็คิดได้ไรอยู่เริ่มต้นไม่มีทรัพย์ใช้กำลัง บำเพ็ญบารมีก่อนเสียญสละปัดกวาดเช็ดทูดูแลความสะอาดอะไรที่มันสกปรกเก็บให้เสนาสะนะที่อยู่ให้เกลี้ยงธรมว่านี่เป็นบารมีที่หลายคนมองข้ามแต่ธรรมะก็ทำจากสิ่งนี้ก่อน ปูอาสนะเช็ดปัดกวาดถูล้งห้องน้ำห้องท่าสะอาดไม่สะอาดเราก็ดูเออทำไม่สะอาดก็ดีเราได้เข้าไปทำแต่ต้องรู้วิธีทำไม่ใช่เอาแปรงอะไรที่ติดรวดไปถูจนเป็นรอยหมดก็ไม่ไหวไหมคแั่ยี่ห้อไหนก็ไม่อยู่มันต้องมี สติปัญญาบอกเออเสร็จจากนั้นก็ไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาทานเราสร้างมาน้อยรายรับเรามันดึงหน้าดึงหลังก็จะไม่ค่อยพอตรงนี้ทำได้ทำไปก่อนและเชื่อต่อมาเถอะอีกไม่นานดีไม่ดีในชาติเนี้ได้เห็นอาจจะเห็นแสงอยู่ที่ปลายอุโมงค์ที่เขาบอกก็ได้โย อ, อย่างน้อยก็ได้พอลำไรลำไรพอได้เห็นบ้างพอได้เห็นเออเราเริ่มสร้างบารมีแล้วจิตเริ่มเมตตาบารมีเกิดต่อไปก็ไม่คิดเบียดเบียนใครนี่จะเป็นข้าวต่อก่อนไม่คิดเบียดเบียนใครอาตมาบอกมนุษย์มีสองอย่างหนึ่งบำเพ็ญตนสองอุทิศ ต, ตน หลักสองข้อเนี่ยคนไม่รู้เนี่ยบเพ็ญไปไม่ได้บาเพ็ญตนเขาเรียกสร้างบรารมีให้กับตัวเองอุทิศตนเขาเรียกเป็นการเสริมบรารมีสูงขึ้นไปอีกบาเพ็ญตนเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเองพออุทิศตนเนี่ยเขาเรียกสร้างบรารมีโอ้โหตรงนี้ ทำสักไม่เกินสามชาติเจ็ดชาติจะมามบอกมิตรบริวารจะเยอะเยอะนะบางคนเกินมาบริวารไม่มีเลยคนๆเหล่านี้ไม่อุทิศตนจาไม้เลยน้อยมากไปไหนก็ไม่ค่อยมีใครจะช่วยเหลือไปไหนก็ไม่มีใครจะเผื่อแผ่ไปไหนก็ไม่มีใครจะให้ความร่วมมือยมสังเกตว่าตรงกับเราไหมหรือ ไปไหนก็มีแต่คนคิดเอารัดเอาเปรียบถ้าตรงบอกได้ว่าเราขาดการอุทิศตนการอุทิศตนเนี่ยิ่งกว่าการลงทุนนะโยมมันเหมือนเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งบันทุกอย่างถึงจะมาบอกคำว่าพระโพธิสัตว์คือการอุทิศตนไม่มีมากกว่านี้ ทำอะไรทั้งหมดไม่มากกว่าคำว่าอุทิศตนแต่ว่าเป็นทางกายทางใจทางสติปัญญาหรือทางไหนก็แล้วแต่ของเราบางคนได้แค่บาเพ็ญตนบอกมันเป็นแค่เบื้องต้นหลายปีบางคนภาวนามาสิบยี่สิบสามสิบพระบางองค์พระกรรมฐานท่านปฏิบัติดีนะ บำเพ็ญตนแต่ไม่อุทิศตนช้าช้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่อุทิศตนตรัสรู้ไม่ได้ได้แค่ว่าบำเพ็ญตนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นส่วนที่เราบำเพ็ญ น, นั่นเป็นบารมี มันเป็นเดชเดชะธบะของผู้นั้นแต่พอเพิ่มกาอุทิตตนโอ้โหคำนี้มันใหญ่แล้วใครก็ไม่ใหญ่กว่าคำนี้คนที่บอกเป็นคนดีคนอะไรเนี่ยไม่เกินก็ามาอุทิศตนแต่มาบอกเราเจอแล้วคำนี้อุทิศตนใจเราบอกแล้วบาเพนตน เป็นการสร้างเดชะตบาบารมีให้กับตัวเองแต่ยังไม่อุทิศตนบารมีจะไม่สูงขึ้นกว่านี้ยมจำนะคำนี้ถ้าไม่อุทิศตนบารมียมไม่สูงกว่านี้มันไม่กว้างความหมายมันไม่กว้างมันไม่เปิดไม่กว้าง สมาจึงคำว่าอุทิตตนมันเกี่ยวหรือนั่งกำหนดพิจารณาไม่ใช่บำเพ็ญอย่างเดียวแล้วบรรลุหรือมันใช่ทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันแห้งแลง้งถ้าอุทบำเพ็ญตนอย่างเดียวไม่มีคำว่าอุทิตตนเนะี่ยมันเหมือนเป็นส่วนบุคคล เป็นปัจเจกชนมันก็เป็นบุคคลเป็นส่วนตนเป็นส่วนตัวเป็นยังไม่ใช่แต่พอเติมว่าโพธิสัตว์โอ้โหเหมืนอนหยาดฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกทั่วหน้าได้รับความเย็นหยาดน้ำสับปะสิ่งที่มีชีตก็ฟื้นขึ้นหมด เห็นหมมนุษย์สมักจะเป็นผู้ขอกันใช่ไหมผู้ขอผู้แย่งชิงเราจะไม่เคยได้ยินว่าผู้อุทิศตนเราจะได้ยินว่าผู้บำเพ็ญตนกับผู้ที่ขอมากกว่าถบกโถ้าบำเพ็ญตนเบื้องตนเนี่ยใช่แต่พอบา ร, รมีตบะของผู้บำเพ็ญพอถึงจุดหนึ่งจิตต้องรู้นะ อุทิศตนใครจะบอกมากน้อยสันโดษมาบอกไม่ว่านั่นเป็นการภาวนาปฏิบัติของตนเองแต่พอถึงบารมีอีกค้อนึงโลกใบนี้ต้องเปิดจิตของเราต้องเปิดกว้างสร้างบารมีนี่แหละกุศลจะเกิดก็ต้นเขาว่าอุทิศตน สำคัญนะฉะนั้นการภาวนาของเราทุกวันนี้เนะี่ยยมต้องกำหนดว่าเรายังยังพร่องในจุดไหนเหมือนบางคนก็พยายามนะปฏิบัติเพียนพระบางรูปธรรมาก็เห็นเพียน10บย30สบสาสิบปีเพียนไม่ไปไหนมันเหมือนเดินวนอยู่วนอยู่ที่เดิม เพ ร, ะราะอะไรโยมว่าจิตความเมตตามันยังไม่ถึงจุดที่จะเกิดมันจึงไม่เย็นคุณธรรมขั้นสูงของการเป็นผู้ให้เสียชละแบ่งปันหรือทานตรงนั้นมันจะออกมาหะ จิตจะเกิดทานบารมีเป็นเบื้องต้นแห่งการบำเพ็ญจริงๆถึงมาขึ้นทานบ า, ารามีสัมปันโนเห็นไหมทานเนี่ยก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นพระเวสันดอนก่อนนะอุป ป, รปาระบารมีทานถึงบารมัทธะแห่งบารมีทานทโอสละได้ทุกอย่าง อุทิศให้หมดจึงบอกเออท่านไม่แบกโลกไม่ยึดโลกไม่ติดโลกดับทุกข์ดับโศกให้พ้นความวิปะโยคในหมู่สัตว์น้อยใหญ่ชี้ทางเป็นตายให้สัตว์ได้เห็นบอกทางสวรรค์นรกให้สัตว์ได้รู้บอกผู้รู้ทั้งหลาย ให้เข้าสู่มรรคผลพระนิพพานกันไม่ธรรมดานะก็สมควรนะเวลาในการบรรยายก็ขอยุตติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร